ถ้เราสนใจธรรมะนะได้ของจริงอย่างอื่นมันของเล่นนะธรรมะมันของจริงได้แล้วเราพ้นทุกจริงๆคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นจริงๆขลงพ่อทำงานนะรับราชการทำงานได้ง่ายนะเราพอนานะสมาธิเราเยอะ อย่างเวลาหลวงพ่อทำงานที่ซับซ้อนมากๆอ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยเป็นตั้งๆั้งเยเพื่อจะเขียนเอามาสรุปออกมานะจับประเด็นหาทางออกหาข้อเสนออะไรเงี้ยเราอ่านรวดเดียวอ่านจบก็ลงมือเขียนได้ละอาศัยกำลังของสมาธนะิทำให้ทำงานง่าย ตอนหลังรับราชการนา น, นเบื่อแล้วเลยลาออกไปอยู่องค์การโทรศัพท์อยู่กับพุ่มเหนือการเวลาเขียนเปเปอร์นะเขียนง่ายมากเลยอ่านข้อมูลฟังข้อมูลนะแค บ, บเยอเขียนออกมาแล้วพุ่มเหนือการมายืนรอเซ็นเลยทำไมเราทำงานได้ง่ายขนาดนั้ น, นสมาธิเราดี แลอย่างหนึง่งจิตที่เราฝึกให้ชำน้ชำนาญเราขจัดอคติออกไปจากจิตจิตเป็นกลางจริงๆเที่ยงธรรมจริงๆเวลาเรามองะไรมองง่ายมองได้ตรงไปตรงมา่ไม่แปลกนะบางคนปฏิบัติธรรมแล้วเรียนหนังสือดีขึ้นทำงานดีขึ้นเลยเนีย่ยธรรมะไม่ใช่จะเอาไปพ้นโลกอย่างเดียว อยู่กับโลกก็อยู่ได้อย่างดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปนิพพานในชีวิตนี้ด้วยกันทั้งหมดหรอกคนไหนไปได้ก็ดีคนไหนไปไม่ได้ถ้ามีธรร ม, มะอยู่ก็อยู่กับโล ก, กได้อย่างสบายเลยผู้หญิงนะควรจะหาแฟนที่ธรรมะธรโมไว้นะแต่อย่ามาหาตามวัดส <c oughs> มัยก่อนชอบมาศึกพระอย่าไปศึกพระไปเป็นสามีนะเพราะพระทํางานไม่เป็นอาหากินไม่ค่อยจะเป็นหรอก เอาไปต้องเอาไปเลี้ยงนะจะหาเพื่อนเพื่อนเข้าวัดด้วยกันหน่อยนะพูดกันรู้เรื่องถ้าเขามีศีลมีธรรมจริงก็ไม่ค่อยจะนอกใจมีโอกาสนอกใจไม่มีทั้งนั้นอะ่ะกิเลสถเราครบพวกเฮเฮาหานะโอกาสเสียหายก็เยอะนี่การปฏิบัติธรรมนะเราปฏิบัติให้ดีนะอยู่กับโลกก็มีความสุข คนรอบตัวเราก็มีความสุขในที่ทำงานนะก็ดีด้วยมีบางคนนะพาลูกน้องมาฟังธรรมะก็พบาว่าลูกน้องนะขยันทำงานมากขึ้นวอกแวกน้อยลงโกงน้อยลงอย่างถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนะเราพาลูกน้องรักษาศีลได้นะสบาย โอกาสโกงมันน้อยลงเหลือแต่งโง่ไม่ชั่วถึงอาจจะยังโง่อยู่ต้องสอนอยู่กัโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของหลอกลวงมันกระตุ้นกิเลสการหลอกลวงไม่มีวิธีอื่นน้อมีแต่เรื่องกระตุ้นกิเลสทั้งหมดเลยกระตุ้นความโลภให้เราอยากได้นอนอยากได้นี่ กระตุ้นความโกรธก็ได้นะถ้าเราไม่ได้ใช้เสื้อยี่ห้อนี้แล้วอับอายขายหน้าต้องขี่รถยี่ห้อนี้ถึงจะไม่ตายคนเลยเอามาความอับอายขายหน้าอะไรเงี้มากระตุ้นกิเลสก็ได้ทําให้เราอยากได้เอาโมหะเอาความหลงผิดมาหลอกเราก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วจะดีนะจริงไม่เกี่ยวหลอกๆอก คนอื่นมันหลอกเราได้มันเอากิเลสมันหลอกนะั่นแหะกิเลสไม่ใช่กิเลสของเขามันกิเลสของเราเองที่หลอกตัวเราเองถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะอยู่กับโลกก็จะสบายไม่ถูกหลอกด้วยถ้าภาวนาให้ชำนีชำนาญ น, นะใครมาไม้ไหนนะรู้ทันหมดอนะ่ะโยเว้นแต่กรรมมันบังตานะบางทีอย่างพระบางทีถูกหลอกได้นะ พื้นฐานของพระเนี่ยเมตตาเมตตานะเห็นใครสงสารหมดเลยนะสงสารไปหมดเลยผู้ร้ายมันก็เข้ามาก็มีเหมือนกันแตนะ่ถ้าอยู่กับโลกนะปฏิบัติทำไปทุกวันทุกวันเบื้องต้นรักษาสี่ห้าไว้ก่อนถ้าไม่มีสี่ห้านะสมาธิไม่ยั่งยืนหรอกสมาธิจะเสื่อมเร็ว บางคนได้ถึงอารูปฌานนะไม่มีศีลฌานก็เสื่อมลงเรื่อยๆเข้าฌานไม่ค่อยจะได้บางคนเข้ารูปฌานได้ทําอภิญญาจิตได้มีอภิญญาศีลไม่มีสมาธิก็เสื่อมเทวทัศนะ์นะช่วงแรกๆหอได้นะตอนแก่กรรมให้ผลนะใช้เวลาหลายปีกว่ากรรมจะให้ผลนะเป็นคู่ชกับพระพุทธเจ้ามานาน ช่วงอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยหอไม่ได้นะจะมาหาพระพุทธเจ้า้าให้เขาแบกมานะไม่มีศีลสมาธิก็เสื่อมขาดศีลขาดสมาธิปัญญาไม่มีศีลนะ ส, สมาธิปัญญานะั้นมันเกื้อกูลกันสนับสนุนกันเป็นฐานซ้อนกันขึ้นไปนะสามชั้น ใครเคยเห็นรูปพระสมเด็จวัดระฆังมั้งไหมหลวงพ่อถามใครเคยเห็นรูปพวกเราคงเคยเห็นรูปะใครเคยเห็นตัวจริงก็ไม่รู้หรอกเห็นขายอยู่ข้างถนนเนะ่ยแย่เลยวัดระฆังทั้งนั้นเลยไปดูให้ดีนะพระสมเด็จมีฐานสามชั้นก็มีองค์พระนั่งสมาธิจริงมีต้นโพด้วยฮ ฐานของความหลุดพ้นนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเองคนโบราณฉลาดนะสร้างสั ญ, ญลักษณ์ขึ้นมาเงิ้เบื้องต้นนะรักษาศีลไว้ก่อนไม่ต้องศีลแปหรอกศีลห้าก็พอศีลหก็รักษายากแล้วโดยเฉพาะข้อสีพูดเพอิอเจ อ, นะอนะพูดเพอเจอศีลดังพลอยแลพูดเพิอเจอพูดไม่จาเป็นต้องพูด ตั้งใจนะสีเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจว่าเราจะไม่ทำบาปอากุศลทางกายทางวาจาต้องตั้งใจอย่างนี้ไว้ก่อนถัดจากนั้นนะมาฝึกให้จิตใจมีสมาธิวิธีฝึกสมาธินะั้นมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกสมาธิจริงๆง่ายจะตายไปธรรมชาติของจิตนั้นนะมันอยากได้ความสุข ที่มันไม่เคยมีความสงบนะเพราะมันมัวแต่วิ่งหาความสุขมันวิ่งไปดูรูปมันวิ่งไปฟังเสียงมันวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปหาสิ่งสัมผัสร่างกายวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งทางใจมันวิ่งไปนั้นมันวิ่งไปหาความสุขเท่านั้นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกอยากได้ความสุขแต่ความสุขมันไม่ไม่เต็มไม่เต็มไม่อิ่ม เหมือนเหมือนจะหยิบได้นะแล้วก็หลุดหายไปทุกทีความสุข ใ, ใจต้องการความสุขใจก็ต้องวิ่งไม่เลิกความสุขเหมือนเราวิ่งหาความสุขเหมือนวิ่งไล่จับเงาประอาิตย์อยู่ข้างหลังเราเงาอยู่ข้างหน้าเราจะวิ่งจับเงาตัวเองวิ่งไปเท่าไหร่จับไม่ได้ที่เหมือนเหมือนจะได้ก็หลุดมือหายไป ถ้าเรารู้หลักตรงนี้นะจริงๆจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นเพราะว่าจิตมันหาความสุขไม่ได้เราก็ต้องฉลาดหาความสุขมาให้จิตเราต้องดูว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขคนไหนอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธจิตชอบพุโทโธจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นก็มีความสงบขึ้นมาคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนนก็รู้ลมหายใจไป จิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นง่ายง่ายแค่นี้แต่เราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ค่อยๆสังเกตตัวเองว่าเราอยู่อารมณ์ชนิดไหนนะมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสนะถึงจะมีความสุขนะมันก็ไม่ค่อยสงบหรอกอย่างบางคนชอบดูบอลสมัยก่อนรับราชการนะถึงเวลามีบอลโลกนะ พวกที่ทํางานด้วยกันหนะ้าตาแดงแต่ละคนเราไม่ดูหรอกมันยังไม่ดูเราเลยเราจะไปดูมันทําไมเสียเวลามีความสุขที่ดูบอล น, นะหรือมีความสุขที่ดูมวยอนะไรอย่างเนี้มีความสุขที่ได้ตกปลาอนะไรอย่างนี้ความสุขอย่างนี้มันย่วยกิเลสเดี๋ยวใจก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตกปลามีความสุขก็จริงนะเนี่ยพอปลาติดเบ็ดก็ดีใจ ปลามากินเหยื่อไฟไม่ยอมกินเบ็ดก็โมโหปลาอนะไรอางี้จะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กก็ยัคอยมาอนะไรย่นี้จิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์นะที่เป็นกุศลเลยไม่ยั่วกิเลสไม่ยั่วให้จิตกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเป็นอารมณ์ที่มีความสุขสังเกตตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจคนไหนรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนรู้ไปเรื่อยมีความสุขก็รู้อิริยาบถไปอะไรก็ได้ที่ไม่ยั่วขีเลศที่จะทําให้ใจกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตมันมีความสุขและ้ะพอจิตมันมีความสุขจิตนี้ก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นแหละ เพราะจิตมันไม่สงบเพราะมันเที่ยววิ่งหาความสุขถ้ามีความสุขมาลอแล้วนะมันอยู่กับความสุขมันก็ไม่หนีไปนี่สมาธิไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้ารู้หลักอย่หลวงพ่อหัดอนาปนานสติตั้งแต่เด็กหัดหายใจใหายใจแล้วมีความสุขนะหายใจทีสองทีก็สงบแนละ้วนะไม่ยากอะไร หลังๆนะดูจิต ด, ดูใจแล้วมีความสุขแค่มาดูจิตก็สงบนละกรรมาฐานวันหนึ่งฝึกอย่างนี้นะวันข้างหน้าจิตใจประนีตแนบเนียนขึ้นมาก็ยกระดับกรรมาฐานขึ้นไปได้อีกแรกๆจับอารมณ์ละเอียดไม่ได้ดูของหยาบๆไปก่อนนี่ได้สมาธิชนิดที่หนึ่งนะสมาธิชนิดที่หนึ่ง จะมีความสงบถ้าจิตใจไม่สงบน ะ, จะเจริญปัญญาไม่ไหวมันวอกแวกวอกแวกมันไม่สามารถเรียนรู้รูปนามได้อย่างต่อเนื่องพอถ้ามันไม่รู้กายรู้ใจได้ต่อเนื่องมันก็เลยไม่เห็นความจริงของกายของใจงนั่นมาฝึกให้มีความสุขมีความสงบขึ้นมมานี่พอจิตใจมีความสุขมีความสงบแล้วนะสมาธิ ไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิยังมีอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขเอาไว้พักผ่อนได้พักผ่อนเวลาเราทำงานหนักๆนะเราต้องพักผ่อนเราถึงจะมีแรงทำงานจะทำกรรมาฐานนะถ้าเรามีสมถะมีเป็นที่พักผ่อนให้ใจสงบเป็นช่วงๆไปใจก็มีเรื่มมีแรงเรียกวาวนา แต่สมาธิชนิดที่สองเป็นสมาธิที่ใช้ในขณะที่เจริญปัญญาสมาธิชนิดแรกนะเอาไว้พักผ่อนหยุดพักการเจริญปัญญาพักผ่อนให้สบายอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่สองเนะี่ยเอาไว้เจริญปัญญาไม่ได้เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ลืมเนื้อลืมตัววิธีฝึกก็ไม่ยากอะไรหัดกรรมฐานอันหนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละเคยพุโทโธก็ใช้พุโทโธแต่ไม่ใช้พุโทโธเพื่อให้จิตมีความสุขแล้วไปสงบอยู่กับพุโทโธปรับนิดเดียวพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธแล้วจิตไปเพ่งความว่างๆอยู่ก็รู้ทันพุโทโธแล้วรู้ทันจิต เราพุทโธเรารู้ทันจิตนะรู้ว่าจิตไหลไปจิตไหลไปคิดจิตไหลไปเพ่งจิตไหลไปไหลไปสองอย่างถ้าไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไปทรงตัวเด่นดวงอยู่อย่างนั้นหรือเคยหัดรู้ลมหายใจแล้วจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจมีความสุขแล้วก็สงบอยู่กับลมหายใจอันนั้นเป็นสมถะเอาไว้พักผ่อน ถ้าสมาธิชนิดที่สองนะหายใจไปเหมือนเดิมแหละแต่หายใจเรารู้ทันจิตหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ ท, ทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่ต้องบังคับนะมันไม่ไหลเองมันรู้ทันว่าไหลปุ๊บมันตั้งเองอัตโนมัติเล เคยดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตสงบอยู่ที่ท้องอ<ล>ก็ปรับนิดเดียวดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมเคยเดินเอาความสุข <Yeah. S 1> ความสงบเดินไปแล้วเห็นเท้ายกเท้าย่างมีความสุขจิต <Message. S 1> สงบก็ปรับนิดเดียวเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตไป จิตนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่ง อ, อยู่ที่เท้ารู้ทันการที่เราคอยรู้ทันการเคลื่อนไปของจิตนจิตจะหยุดการเคลื่อนหยุดเองไม่ต้องไปดึงห้ามดึงถ้าดึงเราจะแน่นให้รู้สบายสบายรู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมมันไม่ได้ยากอะไรเลยเรื่องของสมาธินะจะทำความสงบกะเรืองอารมณ์ที่มีความสุข น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันนั้นไม่หนีไปอักขระหาอารมณ์อื่นแค่นี้ก็สงบแล้วจะฝึกให้จิตตั้งมั่นก็ใช้อารมณ์กรรมฐ า, านอย่างเดิมนั่นแหละแต่แทนที่จะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้สงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวนะก็มาแค่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปมี2แบบเท่านั้นแหละไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งหลักๆ ก, ก็มีแค่นั้นเอง มีเล็กๆน้อยๆไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสอะไรอย่างี้ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดไหลถ้านักปฏิบัติก็ไหลไปเพ่งถ้ารู้ว่าทันว่าจิตไหลไปจะจะตั้งมั่นขึ้นมาไปซ้อมดูนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกเอาหลักไปแล้วไปปฏิบัติเอานี่หลวงพ่อสอนเรื่องศีลกับสมาธิแล้วนะ ศีลเนี่ยตั้งใจงดเม้นการทํำบาปอาคุศลทางกายทางวาจาต้องตั้งใจไว้ก่อนทุกวันต้องตั้งใจไว้ตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจว่าเราจะไม่ทํำบาปอาคุศนทางกายทางวาจารักษาศีลหกลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจไว้อีกเราจะรักษาศีลห้าเย็นๆกลับมาบ้านตั้งใจจะรักษาศีล5ก่อนจะนอนตั้งใจอีกรอบหนึ่งก็ได้ตั้งใจไปได้ ทำไมจะนอนแล้วยังต้องรักษาศีล5ก็จะนอนอยู่แล้วก็เผื่อตายตอนนั้นนะไม่ได้ฟื้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ยังตายไปกับศีล5เนี่ยตั้งใจไว้ก่อนมีศีลแล้วก็มาฝึกสมาธินะเลือกดูอารมณ์ันไหนมีความสุขอยู่กับอารมณ์ไหนแล้วจิตใจไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงก็อยู่กับอารมณ์มม น, มนั้นบ่อยๆ บ, ยบางคนสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าก็มนะีความสุขจิตไม่หนีไปที่อื่น ื่อคนอ่านหนังสือธรรมะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีความสุขจิตไม่หนีไปที่อื่น ไ, ได้สมถะอยู่แล้วนะต่อมาก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวโดวยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะนี่ได้ศีลได้สมาธิแล้วถัดจากนั้นมาสูนขั้นสุดท้ายแล้วบทเรียนที่3บทเรียนสุดท้ายแล้วคือการเจริญปัญญาลำพังมีศีลมีสมาธิ จิตใจไม่ไม่สามารถสู้กิเลสที่ละเอียดได้ศีลนั้นมันแค่คอยควบคุมตัวเองไม่ให้ทําตามกิเลสหยาบหยาบสมาธินั้นมันแค่กดข่มกิเลสระดับกลางๆลาคือความฟุ้งซ่านพวกนิ้รณพวกอพวกนี้นะปัญญานี้เป็นตัวชําระล้างกิเลสได้สะอาดหมดจดเลยกิเลสที่ปัญญาเข้าไปล้างก็คือความโง่ของเรานั่นแหละความไม่รู้ความโง่ ลึกที่สุดเลยคือเอาวิชานะตื่นตื่นขึ้นมาก็พวกความเห็นผิดต่างๆความเห็นผิดพื้นฐานเลยก็คือความเห็นผิดว่าเรามีอยู่จริงๆกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราเป็นความเห็นผิดและความเห็นผิดขั้นลึกซึ้งก็เห็นว่ากายนี้เป็นตัวสุขใจนี้เป็นตัวสุขเรื่องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วิชาไม่รู้อริยสัจ อริยสัจจะสอนเรากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเพรฉะนตัวปัญญานี่เป็นตัวล้างกิเลสชั้นละเอียดนะละเอียดที่สุดก็คืออวิชชาเนะลยหยาบหยาบขึ้นมาก็พวกทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆ ง, งั้นเวลาเราภาวนานะเบื้องต้นเนี่ยล้างความเห็นผิดก่อน โดยธรรมชาติธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆตัวเรามีจริงๆนะบางคนถึงขนาดว่าตายไปแล้วตัวเรายังไม่ตายเลยตัวเรานี่แหละคือจิตใจของเรานี่แหละออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่เรานึกว่าเราเป็นชาวพุทธนะเราเชื่อว่าถ้าตายแล้วจิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิดใหม่เราคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐนะิเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสติทิฏฐิ มันเห็นว่ามีความเที่ยงอยู่จิตนี้เที่ยงตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ตัวเดิมไปเกิดอีกเปลี่ยนแต่ร่างกายอีกพวกหนึ่งเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงแค่นั้นนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุดเฉททิฏฐิแต่ทั้งศาสนาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าจิตเที่ยงเห็นว่าตัวเราเที่ยง กับอุเฉททิฏฐิเห็นพระตัวเรามีอยู่นะแต่พอถึงเวลาตายเราก็หายไปเลยมันเป็นความหลงผิดนะถ้าเรามาพอนานเราจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีถ้าล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เ ล, ลือกล้างสักยัตทิฏฐิได้มันก็จะตัดมิฉาทิฏฐิอีกสองตัวไปได้ด้วยก็ตัวเราไม่มีแล้วตัวเราจะเที่ยงได้ยังไง เห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราก็ไม่เที่ยงเหมือนว่าไม่มีตัวเที่ยงมันก็ล้างสัสวตาทิฏฐิไปโดยอัตโนมัติถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีน้ำก็ล้างอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าตัวเราขาดศูนย์ไปก็ไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกเราจะมีตัวอะไรขาดศูนย์ไปไม่จะล้างความเห็นผิดไปได้งั้นจะทำลายความเห็นผิดเนี่ยให้มุ่งนะมุ่งมาดูลงไปที่กายที่ใจที่ธาตุที่ขัน คือสิ่งทึ่รวมกันขึ้นมาแล้วเรานึกว่าเป็นตัวเรานะดูลงมาในนี้ในขันห้าในกายใ น, ในใจเรานี้แหละดูจนเห็นความจริงเลยร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะเช่นร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ช่วคราวก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนนะเปลี่ยนไปเรื่อย ดูไปร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ไม่เทいいีนะ่ยงจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจเใฉยๆก็ไม่เทいいีนะ่ยงจิตใจเป็นกุศลจิตใจเป่งอกุศลก็ไม่เทいいีนะ่ยงจิตมันโลภมันโกรธมันหลงโลภ ก, ก, ก, ก, ก, ก็โลภชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวไม่มีหรอกโกรธสาวนวลไม่มีหรอกโลภสาวนวลเ น, นี่ยมาคอยดูลงในกายในใจของเราเให้เห็นมีแต่ของชัว่วคราว ถ้าได้เห็นนะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะั่มันไม่ยากที่จะรู้ดูกายรู้ใจของเราเองทุกคนรู้ได้แต่เราลาเลยเราไม่สนใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองแค่ให้ความสนใจมันก็รู้สึกแล้วร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมันจะยากอะไรก็ร่างกายนั่งอยู่ก็รู้สึกไปอย่าใจลอยไปที่อื่นซะแม้ถ้าใจลอยฟุ้งซ่านไปนี่ไม่มีสมาธิก็ไม่เห็นหออกร่างกายกําลังนั่งอยู่ ร่างกายยืนอยู่ร่างกายเดินอยู่ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะถ้าใจเราฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็ไม่เห็นถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะั้นก็เห็นร่างกายมันทำงานได้ดูไปดูไปถึงวันหนึ่งก็เห็นนะยร่างกายที่หายใจอยูนะ่มันหายใจของมันเองนะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะั้นมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวนะจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่มันก็มีปัญญาอย่างนี้ขึ้นมาหรือมาดูจิตดูใจนะ จิตที่สุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวหัดดูไปเรื่อยดูเป็นทุกคนแหละแต่ขี้เกียจ ด, ดูอย่างเราเห็นของสวยของงามเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อยากได้อยากได้นะคนทั่วไปมันก็ไปดูที่โทรศัพท์อยากได้ก็ไปดูของที่อยากได้ถ้านักปฏิบัติพลิกนิดเดียวเองรู้ว่ากําลังอยากได้อยู่ แค่นั้นเองเดินไปเห็นสาวสวยใจมันชอบคนทั่วๆไปมันก็จะไปดูสาวนักปฏิบัติก็มารู้ทันว่าใจกาลังมีราคะอยู่ใจชอบเราะละรู้ก็รู้ได้แต่ไม่รู้ไม่ยอมรู้หัวแต่สนใจออกนอกงั้นเรามาสนใจที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆไม่ยากอะไรที่จะรู้เลย สมัยพุทธการไม่ได้สอนอะไรกันเยอะนะสอนหลักๆนิดเดียวนะเขาก็ดูได้เขาไม่ต้องมาคิดมากเลยว่าดูจิตจะทํายังไงดูกายจะทำยังไงมันก็แค่รู้สึกนะ่ะรู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วะอย่างจิตมันโกรธขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่เราโกรธนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแทนที่จะไปดูคนที่เราโกรธนะมาดูใจที่กําลังโกรธเห็นเลยจิตมันกําลังโกรธอยู่พอดูปุ๊บนะ้ำความโกรธจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเ อ, อ้จิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงนะอืมเห็นอย่างนี้ จิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงถ้าสนใจที่จะดูก็ดูได้ทุกคนแหละปัญหาใหญ่อยู่ที่ไม่สนใจจะดูเท่านั้นเองเะนั้นการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากอะไรให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกก็แค่นั้นเองน่ตาเห็นรูปเห็นของสวยก็หมดแต่ดูของ ได้ยินเพลงเพราะหมดแต่ตั้งใจฟังเพลงไม่เห็นใจที่กำลังชอบนะเพราะฉะนั้นใจเราชอบอะไรขึ้นมาเรารู้ทันใจเราเกลียดอะไรขึ้นมาเรารู้ทันนะคอยรู้บ่อยๆสุดท้ายปัญญามันก็เกิดจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวอย่างร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ชั่วคราวแล้วก็หมดไปเรื่อยๆร่างกายหายใจออกหายใจเข้านี่ก็ชั่วครา ว, วก็หมดไปเรื่อยๆ ชีวิตก็สิ้นไปด้วยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวง่ายๆอย่าไปคิดมากคอยรู้สึกนะรู้สึกไม่ยากหรอกไม่ยากอย่างที่คิดหรอกนะถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาไปเรื่อยนะปัญญามันแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแนะ้ล้างความเห็นผิดเป็นพระโสดาบันดูกายดูใจต่อไปอีกรักษาศีลมีสมาธิดูกายดูใจต่อไปอีก เห็นเลกายนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ใจนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ก็จะหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองจะเป็นโสดาจะเป็นอรหันต์ก็เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเองนี่เองไม่ได้เป็นอย่างอื่นหรอกไม่ได้ไปทําอย่างอื่นหรอกอะไปทานข้าวนะนิมนต์เลยครับนิมนต์